คือส่วนที่เป็นปรามัิทั้งหมดอาการหมายถึงสมุทัยทั้งหมดนะวัตถุประมัิอาการ mm. ก็วัตถุก็คือทุกสมุทัยก็คืออาการนโลดและมรรคก็คือตัวปรมัตอวัตถุประมัิอาการนะที่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะยืนบนเส้นทางอันไหนนะว่าในเมื่อ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 ถ้ า, าว่าเราไม่เข้มแข็งพอเราก็ถูกกระทบถูกเบียดถูกอะไรต่างเบี้ยวบูดไปก็มีแต่ถ้าสมามุติเราเข้มแข็งพอเนี่ยมันก็ไม่เปไน็นไรหรือบางทีบิด น, นิดหน่อยก็ไปรับเสียหน่อยเนาะอไปฝนเสียหน่อยมันก็กลับดีเหมือนเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตที่อบรมดีแล้วเป็นจิตที่นําสุขมาให้ที่อบรมด้วยอะไรอบ ร, ดรม ด, บรด้วยปรมาธิอบรมด้วยวิปัสสนา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 ดูกันไปดูกันมาอย่างนี้แล้วจิตมันจะเข้มแข็งขึ้นเองนะันบอกว่าเหมือนในช่างสอนดัดลูกสอนดัดเรื่อยๆดัดให้มันตรงดัดให้มันแข็งฮะเื่องมันก็จะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นในความหมายของคาว่าวัตถุปรมามัดอาการที่พ่อเทีพูดถึงก็หมายถึงย่อธรรมะทุกส่วนเหลือสามอย่างสิ่งที่เป็นสมมติทั้งหลายเรื่วัตถุสิ่งที่เป็นการเป็นสมุทัยความทุกข์ของ